เราจะใช้เวลาโดยประมาณนะให้ลืมไปเลยว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรมีการงานแบบไหนให้ดูเพียงแค่ว่าเรามีรูปมีนามตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็ทรงกายให้นิ่งเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาอธิบายฟังว่าทําไมกายต้องนิ่งทรงกายให้นิ่งที่นั่งเก้าอีก้ก็วางเท้าให้นิ่งวางมือให้นิ่ง ตั้งกายให้ตรงทำลมหายใจสักสามคู่สีคู่แรงๆเพื่อเปิดทางลม <c oughs> ให้ลมหายใจเข้าเป็นลมเข้าให้ลมหายใจออกเป็นลมออกทำลมแรงๆ น้อมจิตกลับมาที่ใบหน้าของตนรู้สึกตัวอยู่ที่ใบหน้าแล้วค่อยๆนอมจิตเข้าไปสู่ที่โพรงจมูกตั้งแต่เนื้อริมฝีปากจนถึงช่องจมูกแล้วหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจไหลออก จะปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นสักสามครั้งจนจิตมันรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกต่อลมหายใจที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้ตรงไหน พอรู้ว่าเรารู้สึกกับลมหายใจได้ตรงไหนจากนั้นก็เริ่มเริ่มรู้ลมหายใจที่ไหลออกทดสอบการรู้ของจิตต่อลมหายใจตลอดสายของมัน ก็คือหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่เคลื่อนออกจะค่อยๆปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาจิตรู้สึกการไหลของลมหายใจตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกจากนั้นก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าให้ตลอดสาย โดยเฝ้ารู้อยู่นิ่งๆไม่ต้องวิ่งตามถ้าเราวิ่งตามเราจะรู้ได้ไม่ตลอดสายหรอกเราเฝ้านิ่งๆอยู่ตรงที่เรารู้สึกได้แล้วก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าพอลมหายใจไหลเข้าเริ่มเคลื่อนเข้าเราก็รู้สึกได้ต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมหายใจในชีวิตเราไม่มีอะไรอื่นณนะ์ขณะนี้ มีแค่จิตที่รู้กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ลมหายใจก็มีแค่เคลื่อนออกและก็เคลื่อนเข้าเรามีหน้าที่เฝ้ารู้ลมหายใจที่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้านั้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นลมไกลลมปลายลมจนสุดลมหายใจทั้งขาออกและขาเข้าเฝ้ารู้อยู่อย่างนั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ เมื่อลมหายใจเคลื่อนออกสุดมีจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดเราก็หัดอยู่กับความนิ่งโดยที่ลมหายใจก็ไม่ได้เคลื่อนมีความนิ่งเกิดขึ้นกายที่ตั้งอยู่ทั้งกายมันนิ่งลมไม่เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าให้จิตมันไปสัมผัสรู้อยู่กับความนิ่งของกาย แล้วก็รู้ลมหายใจไหลเข้าพอลมหายใจไหลเข้าเคลื่อนเราก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้พอลมหายใจไหลออกสุดมันเกิดความนิ่งคือลมหายใจเข้ายังไม่หายมันยังนิ่งได้สบายๆเราก็อยู่กับความนิ่งนั้นดู ดูนิ่งๆดูกายรู้กายทั้งกายที่มันตั้งนิ่งไม่เอ็นไม่เอียงตรงนิ่งพอลมหายใจเข้าเคลื่อนเราก็รู้ลมหายใจ จังหวะที่ลมหายใจออกสุดให้จิตรู้อยู่กับความนิ่งถ้ามันไหลออกไปคิดมันจะไหลตอนนี้ไหลตอนที่ลมหายใจมันสุดแล้วมันจะไหลออกไปเราแค่รู้ว่าจิตเรามันไหลแค่เรารู้ปั๊บมันก็จะกลับมาแล้วเราก็รู้ลมออกลมเข้ารู้ลมออกลมเข้า ทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปก่อนถ้าไม่เป็นเสมือนกับว่าชีวิตในอนันตจักรวานที่เราตั้งอยู่นี้นะมันไม่มีอะไรอื่นเลยอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มี ชื่อตระกูลทั้งหลายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันมีแค่จิตที่รู้กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันมีหน้าที่ที่จะต้องให้จิตรู้แน่วแน่อยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างอื่นนั้นไม่มี ถ้ามันไหลออกไปกับเหตุอะไรก็ช่างให้รู้ว่านั่นจิตมันไหลออกไปค่อยยกกลับมาสู่ลมหายใจมันเราเยือนอยู่ที่ริมน้ําริมลำธารที่มีกระแสน้ําไหลลงสายตาเราจ้องโยงไปที่กระแสน้ําจุดใดจุดหนึ่ง ที่มันเหมาะเราดูกระแสน้ำที่ไหลนั้นเราไม่ต้องสายหน้าไปตามกระแสน้ำแค่เอาสายตาจ้องไปนิ่งๆที่กระแสน้ำที่ไหลนั้นถ้าสายตาเราวกแวกออกไปจำเรืยงไปซ้ายไปขวาไปเหนือไปบนไปล่างก็แค่รู้ว่า ตารมมันหลุดออกจากน้าแล้วก็แค่วางสายตาลงไปที่กระแสน้าใหม่แค่นั้นเองเหมือนกับใจเราที่เฝ้ารู้การไหลของลมหายใจเควานิ่งๆิ่งอยู่ตรงนั้นถ้ามันมีการคิดเกิดขึ้นนั่นหายความว่าจิตรู้ของเราหลุดออกจากลมหายใจเราไม่ต้องทำอะไรมากเขาแค่ดึงเขากลับมาอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเอง หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้อยู่อย่างนั้นไปก่อนจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดเพราะเราหายใจออกลมหายใจเข้ามันจะเกิดช้ามันก็จะมีจังหวะที่ลมมันหยุดเราก็รู้อยู่กับความนิ่งหัดรู้ว่านี่คือความนิ่งที่เกิดขึ้นที่ว่านิ่งเพราะว่าลมหายใจไม่ได้เคลื่อนออกเคลื่อนเข้ามันจึงนิ่ง แล้วก็รู้ลมหายใจเข้าไปนี่เราอยู่ในบทของว่าโซสโตวะอัสติสโตปัสติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเท่านั้น อย่าปล่อยให้จิตมันลงไปในร่องลึกที่ไม่ใช่ลมหายใจโดยที่ลมหายใจมันเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าอยู่แต่จิตไม่ได้รู้ลมหายใจแต่กลับไปอยู่กับสิ่งอื่นที่มันไหลเข้าไปสู่ร่องลึกๆออกจากลมหายใจต่อย่างนั้นไม่ใช่ทางเขาต้องรู้ลมหายใจในขณะที่เคลื่อนออกรู้ลมหายใจในขณะที่เคลื่อนเข้า ถ้าขณะที่ลมหายใจเคลื่อนออกขณะที่ลมหายใจเคลื่อนเข้าแต่จิตไปอยู่กับสิ่งอื่นไหลไปอยู่ในสิ่งอื่นอันนั้นไม่ใช่ทางต่อแต่นี้ตั้งกายให้ตรงให้นิ่ง แล้วทำลมหายใจยาวเราจะรู้ลมหายใจให้ยาวกว่าปกติโดยหายใจเข้าให้สุดแล้วรู้ลมหายใจไหลออกโดยการผ่อนลมหายใจกลางๆให้ยาวกว่าปกติแต่ยาวชนิดที่เราไม่อึดอัดรู้ตรงลมที่หายใจไหลออกก่อน ทำลมหายใจยาวให้หายลมหายใจมันยาวกว่าปกติระดับของลมหายใจจะกลางกลางไม่แรงมากไม่เบามากเป็นลมกลางกลาง ทำลมให้ยาวกว่าปกติแต่ว่าไม่อึดอัดดยให้ลมมันเบาลงถ้ามันเกิดความเคลื่มให้ตั้งกายให้ตรงจะ ตั้งกายให้ตรงให้กระดูกสันหลังมันตั้งฉากกับพื้นที่นั่งแล้วก็เกิดความตื่นขึ้นมาแล้วก็น้อมจิตก็ไปสู่ลมหายใจทำลมหายใจกลางๆยาวๆ เราอยู่ในบริบทของการรู้ลมยาวๆในระหว่างนี้อาจจะเกิดความสงสัยว่ามันเก่งไปไหมมันใช่ไหมมันถูกไหมมันผิดไหมความสงสัยเหล่านี้ล้วนเป็นนิวรณ์ทั้งสิ้นให้ปล่อยออกไปเพราะเราไปหยุดอยู่กับความสงสัยนั้นจิตมันก็จะเกิดการปรุงโดยที่เราไม่รู้ตัว ในการรู้ลมให้ยาวทำลมให้ยาวรู้เท่าไรรู้เท่านั้นลมเท่าไรรู้เท่านั้นยาวแค่ไหนรู้แค่นั้นการลมออกยาวก็จะยาวลมหายใจยาวเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิต ตอนนี้ชีวิตเราทั้งชีวิตมันไม่มีอะไรอดีตอนาคตไม่มีชื่อสกุลไม่มีฐานะไม่มีมีแค่จิตที่รู้กับลมหายใจยาวๆซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตสิ่งแปลกปลอมที่จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรารู้ลมยาวคือความเคลื่นความง่วงความเคลื่อนความง่วงคือสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นแล้วจะทาใหการรู้ลมหายใจของเราหยุดชะงักลง เราต้องรู้ทันเขาไม่ปล่อยให้เขามีอำนาจถ้าเมื่อเขาเกิดขึ้นรู้ตัวทันทีว่ามีความง่วงเกิดขึ้นให้ตั้งกายให้ตรงด้วยการยืดตัวให้สูงขึ้นให้กระดูกสลังมันตั้งฉากตรงกับพื้นจนมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้ไปรู้ลมหายใจถ้าเขาง่วงขึ้นมาเราก็ทำอย่างนี้ง่วงขึ้นมาเราก็ต้องอูชุงกายยังปานิทายะอุชุงกา ย, ยัางปานิทายะคือตั้งกายให้ตรงความง่วงเมื่อเขาถูก ต้านทานจากเราโดยการทำให้ตื่นขึ้นม า, ามดได้ความง่วงก็ดับไปตื่นขึ้นมาความง่วงก็ดับไปตื่นขึ้นมาความง่วงก็ดับไปเราไม่ละความเพียรที่จะทำให้ตื่นความง่วงก็จะค่อยๆ้พ่แพ้เราออกไปเองทำลมให้ใจยาว ในการทำลมยาวมันจะมีความตั้งใจอยู่นะให้เราอยู่กับลมหายใจยาวไว้อย่าไปสงสัยว่านี่คือการกำหนดหรือไม่กำหนด รู้ที่อยู่กับลมออกยาวรู้ที่อยู่กับลมออกเข้าเมื่อลมมันราบเรียบจิตรู้แนบสนิทราบลื่นแล้วมันจะเกิดความแช่มชื่นขึ้นในขณะที่รู้ยกเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลออกในขณะที่รู้ยกเข้าไปสู่ลมหายใจที่ไหลเข้ามันจะเกิดความแช่มชื่น มีความปราณีตของการรู้เพิ่มขึ้นไม่มีอะไรเลยนอกจากลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตที่รู้นั้นจะปราณีตความปราณีตของจิตรู้ได้จากการที่มันสดชื่นที่มันแช่มชื่นขึ้น รู้ที่เช่มชื่นในขณะนี้ที่ลมหายใจไหลออกความเช่มชื่นความสดชื่นของจิตทําไห้รู้นั้นกระจายไปที่กายแม้กายมันก็นิ่งจิตรู้ก็นิ่งนิ่งคือมันก็มั่นคงอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจรู้จะรู้อยู่ที่ลมหายใจที่ไหลออกรู้จะรู้อยู่ที่ลมหายใจที่ไหลเข้า จิตรู้ว่ากายนั้นมีอยู่แต่มันนิ่งจิตที่รู้นั้นก็นิ่งมีหน้าที่ในการรู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้ามีความแช่มชื่นมีความสดชื่นมีความปราณนนีตอยู่ที่รู้นั้น จิตที่รู้ซึ่งมีความแข็งแรงมีความละเอียดลมหายใจที่ยาวอยู่นั้นมันก็ค่อยๆหดชันลงมาโดยที่มันหดโดยตัวของมันเองแต่จิตรู้ยังเท่าเดิมลมหายใจยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้อย่างเดิมแต่ความปราณีตและความเฉพบสดชื่นของจิตที่รู้ มันจะคายลมหายใจออกมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นเป็นลมหายใจที่เป็นปกติมากขึ้นเป็นลมออกรู้เป็นลมข้าวรู้ ต่อไปนี้ให้ยกจิตไปที่ปลายนิ้วมือข้างซ้ายข้างขวานะค่อยๆขยับปลายนิ้วมือฝ่าให้จิตมารู้สึกที่นิ้วมือฝ่าพอรู้สึกแล้วให้ยกมือขวาขึ้นช้าๆให้จิตรู้สึกแล้วเอามือขวาไปวางไว้ที่ข่าข้างขวาจิตรู้สึกที่มือข้างขวาวางไว้ที่ข่าฝ่า จากนั้นยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกค่อยๆยกจิตแล้วค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นพร้อมจิตที่รู้สึกและเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข้อซ้ายช้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกจากนั้นยกจิตขึ้นมาที่ใบหน้าประหกใบหน้านิดหนึ่งก็ลืมตาออกจากสมาธิในเวลาสิบเอ็ดโงครึ่ง ให้ทรงสภาวะนี้ไว้นะเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาต่อจากตรงนี้เลย <c oughs> จิตที่รู้ที่มันปราณีตนะเรียกว่าสั้นโตไอ้เรียกว่าปณนีโตความที่จิตรู้แน่วแน่อยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่เรารู้สึกได้ด้วยความด้วยความแช่มชื่นนั่นแหละเรียกว่าสั้นโตสันโตปณีโตและอาเซจานโกคือมันแช่มชื่นขึ้นมา จิตอย่างนี้เมื่อจิตเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยตอนนั้นกายมันจะนิ่งจิตรู้ว่ากายมีอยู่แต่กายมันจะนิ่งมันเหมือนกายอย่างหนึ่งจิตที่รู้อย่างหนึ่งก็เห็นกายตั้งอยู่นิ่งๆถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิกามลาพีอากิจฉลภีอากาศิรลาพีนิกกามลาพีคือว่ามันจะได้โดยไม่ยากจะได้ จะได้ตามปรารถนาเนี่ยหรือนิกาม马าภีอากิจลาภีคือได้ไม่ยากอากิสรลาภีคือได้ไม่ลำบากได้ตามปรารถนาได้ไม่ยากได้โดยไม่ต้องลำบากเมื่อคราใดที่จิตรู้สึกได้ว่ามันรูปรานนิดมันช่มชื่นมันแน่วแน่กายไม่หวั่นไหวรู้กายมีอยู่แต่กายไม่หวั่นไหวนั้นสภาวะนี้ ให้เรียนรู้ไว้ตอนบ่ายเดี๋ยวเราก็มาต่อไดอ้วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาได้พักเดี๋ยวเที่ยงครึ่งเจอกันระหว่างเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงอะ่ะ